เรื่องที่สจำเลยศาสนาไม่ว่าศาสนาประเภทนิยมสร้างรูปเคารพหรือไม่ก็ตามต่างก็มีบุญยสถานอันเป็นจุดรวมแห่งศรัทธาด้วยกันทั้งสิน้นเยรูซาเล็มเป็นบุญยสถานของชาวคริสต์กาบะเป็นบุญยสถานของชาวมุสลิมสุวรรณวิหารเป็นศูนย์กลางของชาวซิกผู้สแสวงบุญทั่วโลกและคงคา เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูทุกทกศาสนาทุกๆกศาสนิกต่างก็มีจุดร่วมแห่งจิตใจเป็นบุญยสถานสำคัญที่สุดของศาสนาเช่นเดียวกันชาวพุทธก็มีจุดร่วมแห่งจิตใจเป็นยอดสุดพุทธปูชนียสถานของเราอยู่แห่งหนึ่งคือต้นมหาโพธิ์ที่พระศาสดาของเราตรัสรู้ ปัจจุบันนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกแม่น้ำเนรัญชราตรงที่เป็นตำบลพุทธคยาจังหวัดคยาประเทศอินเดียเมื่อพระศาสดาของเราจะเสด็จปรินิพานจากเราไปพระองค์ได้รับสั่งแก่พระสงฆ์ว่าสถานที่ที่พระองค์ตรัสรูน้นี้เป็นสังเวชนียสถานหนึ่งในสแห่งของพุทธศาสนิกชนและแน่ละ ทั้งสี่แห่งนั้นที่ตรัสรู้นี้ย่อมสำคัญยิ่งกว่าที่ประสูติที่ทรงแสดงปฐมเทศนาและที่ปรินิพานเพราะหากพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เสียอย่างเดียวการเกิดการตายก็ย่อมจะหมดความหมายลงไปเป็นที่แน่นอนว่าต้นมหาโพนั้นก็ดีแผ่นดินบริเวณรอบๆต้นโพนั้นก็ดีในสมัย ก่อนพระพุทธเจ้าจัสรู้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของเป็นมุมที่แม้ชาวบ้านเสนานิคมก็ไม่ได้ทำประโยชน์อันใดการตู่เอากรรมสิทธิ์ครั้งแรกได้มีขึ้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปใช้ที่นั้นโดยพวกมารวศวดีแต่พวกมารก็ออกแพ้ภัายไปเองมหาโพธิมณฑลจึงคงเป็นที่อำนักของพุทธสาวก ตลอดพุทธกาลถึงกับพระพุทธองค์ได้รับสั่งฝากฝังไว้ก่อนเสด็จป ร, รินิพานดังกล่าวแล้วประมาณพุทธศักราช200เศษพระเจ้าโสมหาราชหัวหน้าใหญ่แห่งพุทธศาสนิกชนในยุคพุทธศตวรรษที่สองได้ทรงพุทธนามหาโพธิมณฑลเป็นการใหญ่ทรงสร้างหลักศิลาจารึกฝังไว้เป็นหลักฐานซึ่งยังคงอยู่จนทุกวันนี้ เมื่อพุทธศักราช873ได้มีพระสงฆ์ชาวลังกาเข้าไปบุรณะมหาโพธิมณฑลและสร้างวัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช952พระพุทธสาวกชาวจีนรูปหนึ่งชื่อฟาเหียนได้เดินทางไปนมัส ก, การต้นมหาโพและกลับไปจนหมายเหตุไว้ในประเทศจีนว่า นั้นบริเวณรอบรอบมหาโพธิมณฑลนั้นมีวัดอยู่สามวัดและมีพระสงฆ์จำพรนษาเป็นสังคารามโดยสมบูรณ์เมื่อพุทธศักราช1180พระสมณจีนอีกรูปหนึ่งชื่อถังซำจังก็ได้ไปนมัสการต้นมหาโพธิอีกและได้กลับไปจดหมายเหตุไว้ตรงกันกันกบรูปก่อน ต่างได้บันทึกเพิ่มเติมถึงความเจริญแห่งพุทธบริเวณแห่งนี้อีกหลายอย่างหากแต่ขณะที่ท่านไปนั้นพุทธศาสนากําลังร่วงโรยศาสนาฮินดูกําลังแผ่อิทธิพลอยู่ในอินเดียเมื่อพุทธศักราช1613ชาวพุทธประเทศพมา่าได้เข้าไปทําการซ่อมพุทธบริเวณแห่งนี้อย่างขนาดใหญ่ครั้นมาเมื่อพุทธศักราช2133 คือเมื่อ370ปีเศษมานี้เองนักบวชนิกายมหันโดยการนำของสัญญาศีคนหนึ่งชื่อโคเซนข้ามันที่ขี่ได้เข้ายึดครอง ม, มหาโพธิมณฑลโดยช่วยโอกาสขณะที่พุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมโทรมและปั่นป่วนถึงขีดสุดเพราะพระอรชีประพฤติเหลวแหลกพวกมหันได้เข้าถือกรมรมสิทธิ์ในพื้นที่ทั้งหมด สร้างเทวาลทัพลงไปใกล้ต้นโพพระพุทธรูปในพุทธวิหารก็ดัดแปลงให้เป็นเทวรูปเสียเอาสิวลึงทำด้วยหินขนาดใหญ่เข้าไปปักไว้หน้าแท่นบูชาเป็นการปลอมแปลงหลักฐานครั้งใหญ่ครั้นแล้วก็มอบมหาโพธิมนทนให้เป็นมรดกกันต่ อ, ตอมาถึง1 3าถึง1ิชั่วมหันในวงเล็บ มหารือหัวหน้านิกายต่อมามีอนาคาริกะชาวพุทธหนึ่งชื่อธรรมปาละเป็นชาวลังกาได้เข้าทำการร้องเรียนเอาบริเวณมหาโพธิมณฑลมาเป็นของชาวพุทธตามเดิมเริ่มแต่การขอร้องจากพวกมหารผู้ครอบครองโดยดีแต่ไม่สำเร็จได้เกิดกรณีพิพาทกันขึ้นในปีพุทธศักราช 2,4 3 6และในปีนั้นเอง ท่านธรรมปาละได้ไปถแถลงขอความเป็นธรรมในสภาศาสนาณเมืองชิคาโก้ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เดินทางไปขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นด้วยจนได้พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นมาร่วมงานกันวันหนึ่งขณะที่ท่านกับพระญี่ปุ่นกำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ในวิหารพุทธคยานั่นเองพวกมหารได้กรูเข้าไปปล้นศาสนาพิธี ทำลายพระพุทธรูปต่อหน้าต่อตาบรรดาสานุษิ์ทั้งสองฝ่ายเกิดการต่อสู้กันบาดเจ็บล้มตายหน้าหนาดจากเหตุการณ์นี้ท่านธรรมปาละและชาวพุทธในตำบล น, นั้นได้เป็นโจทยื่นฟ้องพวกมหันต่อศาลยุติธรรมผลปรากฏว่าศาลจังหวัดขยาตัดสินให้ชาวพุทธชนะคดี ให้พวกมหานคืนพุทธศาสนสมบัติแก่าชาพุทธเสียทั้งหมดครั้นมาเมื่อพุทธศักราช2445พวกมหารช่วยโอกาสที่มีพระญี่ปุ่นมาอยู่ที่วัดพุทธคยามากขึ้นทำการยุแย่รัฐบาลอังกฤษว่าชาวพุทธชักจูงเอาคนญี่ปุ่นเข้ามาจะคิดการไม่ดีต่ออังกฤษในอกาศเดียวกันก็ยื่นฟ้องต่อศาล ขอให้ขับไล่ท่านธรรมปาละและชาวพุทธออกจากบริเวณมหาโพธิมณฑลและให้คืนกรรมสิทธิ์แก่พวกมหารทั้งหมดครั้งนี้ศาลตัดสินให้พวกมหารชนะมหาโพธิมณฑลจึงตกไปอยู่ในเงื้อมมือของพวกนอกศาสนาอีกครั้งและพวกชาวพุทธต้องถูกขับไล่ออกจากมหาโพธิมณฑลทั้งหมดท่านธรรมปาละแม้จะแพ้แคดีแล้ว ก็ได้นำความไปอุทธรณ์ต่อสภาเมืองของอินเดียคือสภาของเกรสแห่งชาติกับอินดูมหาสภาขอความเป็นธรรมให้แก่ชาวพุทธทั่วโลกที่จะได้เป็นเจ้าของมหาโพธิมณฑลรัฐบาลอินเดียได้อนุ ญ, ญาตให้ท่านธรรมปาละเข้าไปถแถลงในสภาด้วยตนเองผล ป, ปรากฏว่าท่านได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากในสภาทั้งสอง บุคคลสำคัญที่ให้การสนับสนุนคือท่านราพินทรนาตะกอกับด็อเตอร์ราเชนทรระศาสตร์ประธานาธิบดีอินเดียทุกวันนี้ส่วนมหาตรมาคารทีนั้นแบ่งรับแบ่งสู้ท่านในคำตอบแก่ท่านธรรมปาล่าว่าจะสนับสนุนให้ชาวพุทธต่อเมื่ออินเดียได้รับอิกราชแล้วครั้นมาเมื่อพุทธศักราช2492 รัฐบาลของสีเนรูก็ได้ออกกฎหมายบังคับพวกมหันให้คืนบริเวณมหาโพธิมณฑลทั้งหมดให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเสียแต่เนื่องจากพวกมหันได้ไปปลูกสร้างถาวราวัตถุไว้ในบริเวณนั้นมากแล้วจึงได้ตั้งกรรมการร่วมฝ่ายละครึ่งเป็นผู้ปกครองพื้นที่นี้พวกมหันไม่พอใจอย่างยิ่งที่เสียกรรมสิทธ ในบริเวณมหาโพธิมณฑลในวงเล็บทั้งๆที่พวกตนก็ไม่ได้กราบไหว้สิ่งเคารพบูชาเหล่านั้นวงเล็บปิดจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลสูงสุดทางการเมืองของอินเดียขอให้สั่งว่ากฎหมายที่รัฐบาลออกมานั้นเป็นโมฆะและให้พวกตนได้ครอบครองมหาโพธิมณฑลนั้นต่อไปเป็นอันว่ากรรมการฝ่ายพุทธและฮินดูคือกรรมการร่วม ก็ยังเข้าปกครองมหาโพธิมณฑลไม่ได้เพราะคดียังค้างอยู่ในศาลเป็นเรื่องที่เราจะรอดูกันต่อไปว่ามารดกกองนี้จะได้แก่พวกเราชาพฟุตชิโนรถทั่วโลกผู้ถือกรรมสิทธิ์มาก่อนหรือจะได้แก่พวกมหาร์ทายาททางนโยบายแห่งพระยาสวัสดีการที่ข้าพเจ้านําเรื่องนี้มาเสนอในวันวิสาขบูชาปีนี้ เพื่อความสังเวชสลดใจของชาวพุทธเราต่อสังเวชนียสถานอันสำคัญสุดยอดของชาวพุทธซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชาหรือท่านจะอ่านในแง่ช่วยกันทำนุบำ ร, รุงศาสนาและสามัคคีธรรมก็ได้เหมือนกันวันที่22พฤษภาคม2504